เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่หนึ่งมกราคม2 5องเป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่พุทธบรยสัตว์ผู้มีความศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ได้มาบาเพ็ญได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปเพราะว่าเหตุก็คือการกระทานี้และที่จะทําให้เกิดผลที่พวกเราปรารถนากันไม่ใช่สิ่งอย่างอื่นการให้พรของผู้อื่นนี้ เป็นการให้ความปรารถนาดีเท่านั้นเอง mm hmm. เช่นเวลาเรามาอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ขอให้สุขให้เจริญอันนี้เป็นเพียงการแสดงความเมตตาคือมีความปรารถนาดีปรารถนาให้ผู้อื่นได้มีความสุขได้มีความเจริญแต่ความสุขความเจริญ ไม่ได้ตามมาจากความปรารถนาดีของผู้อื่นความสุขความเจริญนี้จะเกิดจากการกระทําของเราทางกายทาวาจาและทางใจเท่านั้นดังนั้นถึงแม้จะไม่มีใครมาอวยพรให้เราถ้าเรามีเหตุที่ทําให้เกิดความสุขความเจริญเราก็จะมีความสุขความเจริญ ถ้าเราไม่มีเหตุที่จะทําให้เกิดความสุขความเจริญต่อให้มีคนมาอวยพรเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ไม่สามารถทําให้เราสุขให้เราเจริญได้อย่างนั้นเราอย่าไปหลงกับการให้พรขอพรกันมากจนเกินไปก็พอทําไปให้ให้เหมาะสมกับการละเทศะกับการเวลากับเหตุการณ์แต่ ความสุขความเจริญที่แท้จริงนี้จะต้องเกิดจากเหตุคือการกระทาของเราเท่านั้นเหตุที่จะทำให้พวกเราได้มีความสุขความเจริญพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้แล้วมีอยู่สามประการด้วยกันคือ 1. ทําบุญสองละบาป 3. ชําำระใจให้สะอาดนี่แหละเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญ เหมือนกับการปลูกข้าวผลที่เราจะได้รับก็คือข้าวเราปลูกมะม่วงผลก็คือมะม่วงเราปลูกผลไม้ชนิดใดเราก็จะได้รับผลไม้ชนิดนั้นฉันใดการกระทำของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำบุญรักบาปทำละใจให้สาพผลก็จะต้องเป็นอย่างนั้น ก็คือความสุขและความเจริญเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วได้ทรงทร ม, มาแล้วได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าได้กลายเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พบกับพระนิพพานอันเป็นสวรรค์อันสูงสุดน่นนี้แหละเกิดจากการกระทาของพระพุทธเจ้าเอง พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปขอพอรจากใครเพราะรู้ว่าขอไปก็ได้แต่ลมปากได้แต่ความปรารถนาดีแต่ไม่ได้ผลที่พระ อ, องค์ทรงต้องการคือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายเข้าสู่ความเจริญที่ถาวรก็คือพระนิพพานนี่เองพระ อ, องค์ทรงรู้ว่าจะต้อง ทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พรจึงทรงสเสด็จออกจากพระราชาวังเป็นการทําบุญอันยิ่งใหญ่คือสะละราชสมบัติเป็นการให้ทานที่เต็มที่เป็นทานที่สูงสุดคือมีสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมีความสุขทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นกาย ทรงสละไปหมดเลยให้แก่ผู้อื่นไปแล้วก็ส่งออกบำเพ็ญรักษาศีลเพื่อเป็นการละบาปแล้วก็ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนามีทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจนทำให้ใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้บรรลุถึงพระนิพพานได้บรรลุถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้แหละคือเหตุที่จะทำให้พวกเราทั้งหลายหรือพระพุทธเจ้าได้ความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่ถาวรถ้าพวกเราอยากจะได้ความสุขได้ความเจริญอย่างที่พระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันพวกเราก็ต้องมาเจริญเหตุกันเราต้องมาทำบุญมาละบาปมาชำระใจให้สะอาดอย่างวันนี้พวกเราก็มาเริ่มที่การทำบุญการทำบุญก็คือการแบ่งปันการแบ่งปันความสุขแบ่งปันประโยชน์ของเราที่เรามีมากเกินไป ที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เราก็เอามาแจกจ่ายแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเป็นการสร้างความเมตตาการุณาขึ้นมาบุญก็คือความการมีความเมตตานี้มีความกรารุณามีบุนิตาและมีอุเบกขา นี่คือบุญที่จะทําให้จิตใจของเราสูงเป็นจิตใจที่มีความสุขเขพราะผู้ที่มีความเมตตาย่อมมีความสุขจากการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ด้วยของสิ่งของหรือกิริยาอาการที่สวยงามเวลาที่เราได้พบปะกับบุคคลต่างๆ เวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์อยู่ในห้องพระหรืออยู่ในวัดแล้วเราสวดสัพเพสัตตาอเวราหมตุอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการแผ่เป็นการสอนใจเป็นการทำการบ้านซ้อมไว้ก่อนเวลาจะแผ่จริงๆต้องเวลาที่พบปะกับบุคคลต่างๆเช่นเวลาเราเจอใครเราก็ควรจะแผ่เมตตาให้เขา ด้วยการแสดงความปรารถนาดีทักทายอย่างวันนี้วันขึ้นปีใหม่เราเจอกันเราก็อวยพรส่งความสุขให้กับกันเช่นว่าสวัสดีปีใหม่ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอันนี้แหละเรียกว่าการแผ่เมตตาถ้าจะแผ่ให้ได้มากกว่านี้ก็ต้องแผ่ด้วยการแบ่งปัน มีข้าวของของขวัญอะไรต่างๆเราก็เอาไปมอบให้กับบุคคลต่างๆถ้ามอบให้กับบุคคลที่ทุกข์ยากเดือดร้อนได้ยิ่งจะได้บุญมากมากกว่าการที่เราจะไปให้กับผู้ที่เขามีกินมีเหลือกินเหลือใช้แล้วเพราะความรู้สึกมันจะเกิดความแตกต่างกัน เวลาที่เราได้เห็นคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่ชอนแล้วได้รับความช่วยเหลือจากเราเราจะเห็นว่าเขามีความสุขและความสุขนั่นแหละจะกลับมาหาเราเราจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากมากกว่าการที่เราเอาเข้าวของไปให้เศรษฐีคนที่มีเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้ว เราให้ไปเราก็รู้ว่าเขาก็คงจะไม่ได้เอาไปใช้ทำประโยชน์อะไรความรู้สึกภายในใจของเราก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราอยากจะได้บุญเยอะๆเราควรเล็งที่ผลประโยชน์สุขของผู้รับถ้าผู้รับได้ประโยชน์สุขมากเราก็จะได้บุญมากถ้าผู้รับได้ประโยชน์สุขน้อยเราก็จะได้บุญน้อย แต่จะให้ใครก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ใจของเราถึงแม้คนที่เขามีมากอยู่แล้วแต่ถ้าเขามีพระคุณกับเรามากเช่นบิดามารดาเราก็อยากจะให้ตอบแทนบุญคุณต่อบิดามารดาการให้แบบนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขมากเช่นเดียวกันเพราะเรารู้ว่า เราเป็นนี่บุญคุณของบิดามารดาชีวิตของเรานี้ที่มีขึ้นมาได้ก็เพราะมีบิดามารดาให้กำเนิดกับเราเลี้ยงดูเราส่งเสียเราให้เราได้เจริญเติบโ ต, ตอย่างมีคุณภาพมีวิชาความรู้ที่จะนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญก้าวหน้าได้ การทดแทนบุญคุณด้วยการซื้อของขวัญให้บิดามารดาจึงเป็นการสร้างความสุขสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่เราไม่ว่าบิดามารดาจะมีมากหรือมีน้อยก็ตามอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้ให้ตรงที่ว่าเขามีมากหรือเขามีน้อยเราให้เพราะเขามีพระคุณกับเรามาก เราตอบแทนกับบุคคลที่มีพระคุณกับเรามากเราก็จะมีความสุขมากนั่นเองนี่คือเรื่องของความเมตตาเป็นกเป็นบุญอย่างหนึ่งปีนี้เรามาตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานกันถ้าเราอยากจะได้ความสุขความเจริญมากกว่าปีที่แล้วขอให้เรามาเริ่มต้นด้วยการสร้างบุญคือการแผ่เมตตา กรุณามุทิตาอุเบกขาการที่เราจะสร้างบุญกุศลนี้ได้สิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือความตั้งใจเราต้องตั้งใจว่าปีนี้ต่อไปนี้เราจะแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือสัตว์ในราชา เวลาที่เราได้พบปะออกับเขาเราจะพยายามแผ่เมตตาให้กับเขาเสมอเราจะพยายามแผ่ความกรุณาแผ่มุนิตาและอุเบกขาให้แก่เขาความเมตตาก็คือให้กับใครกับคนทั่วไปไม่ว่าเขาจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเราเอ้อแผ่เมตตาให้ด้วยการทักทายกันยิ้มแย้มแจ่มใส มีของอะไรพอแบ่งปันกันได้แจกกันได้ก็แบ่งกันไปแจกกันไปหรือว่าถ้าเขาทำอะไรที่ทำให้เราเดือดร้อนหรือเสียอกเสียใจเราก็แผ่ด้วยความอภัยคือเราจะไม่ถือโทษกอดเคืองเขาให้เราคิดว่า อ, อาจจะเป็นการผิดพลาดเหมือนกับลิ้นกับฟันที่เวลาอยู่ร่วมกันแล้ว บางครั้งบางเวลาก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้ mm hmm. เราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เราไม่สบายใจที่อาจจะทำให้เราทุกข์ยากเดือดร้อนแต่ถ้าเรามีความเมตตาความทุกข์ยากเดือดร้อนก็จะมีอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นจะไม่เข้ามาถึงใจของเรา เพราะใจของเราจะไม่ถือสาไม่โกรธแค้นโกรธเคืองไม่อาฆาตพยาบาทพอเราไม่โกรธแค้นโกรธเคืองไม่อาฆาตพยาบาทใจของเราก็เป็นปกติสุขแต่ถ้าเรามีความมาฆาตพยาบาทโกรธแค้นโกรธเคืองเราก็สุมไฟมาเผาหัวใจเราเอาของแหลมของคมมาทิ่มแทงหัวใจ ทำให้เราอยู่ไม่เป็นปกติสุขอยู่แบบวุ่นวายใจอยู่แบบคับแคบใจร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเราแผ่เมตตาได้คือให้อภัยได้ความโกรธแค้นเกิดโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทก็จะสลายไปเราก็จะมีความสุขใจและความสุขใจนี้จะคุ้มครอง ให้เราฟันฝ่ากับความทุกข์ยากลำบากของทางร่างกายไปได้อย่างไม่สะทกสะท้านไม่เดือดร้อนนี่คือการแผ่เมตตาให้กับสปปรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าเราพบกับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือถ้าเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ควรที่จะช่วยเหลือกันนี่เรียกว่าความกรุณา คือมีความปรารถนาให้ผู้อื่นทีุ่ตกทุกข์ได้ยากได้หลุดพ้นจากการตกทุกข์ได้ยากเห็นใครขาดแคลนอาหารเรามีอาหารก็แบ่งปันไปเขาขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีเรามีมากเกินไปเราก็เอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นมีเงินมากเกินไปก็เอาไปแจกจ่ายให้กับคนที่ไม่มีบ้างแล้วเราจะมีความสุขใจ เราจะเป็นคนที่มีคนรักเราเราจะไม่มีศัตรูกับใครการไม่มีศัตรูนี้จะทำให้เรามีชีวิตอยู่อายุยืนยาวนานจะไม่ได้ตายด้วยอาวุธหรื อ, อยาพิษต่างๆเพราะเราไม่มีศัตรูนั่นเองเพราะเราคอยดูแลคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนถ้าเราไปพบกับคนที่เขาได้รับ ผลของการกระทําของเขาคือได้ได้สุขได้ความสุขได้ความเจริญเราก็ควรที่จะแสดงความมุทิตาจิตคือร่วมยินดีกับความสุขกับความเจริญของเขาถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบเขาหรือว่าเขาจะเป็นคู่ต่อสู้กับเราเช่นเวลาเราเล่นกีฬาเวลาคู่ต่อสู้ของเราชนะเราแพ้ เราก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬาคือเราต้องแสดงความยินดีต่อช้ยชนะของเขาเพราะการแสดงความยินดีนี้จะทำให้เรามีความสุขใจจะไม่เสียใจที่เราแพ้เขานี่แหละคือการชนะที่แท้จริงชนะด้วยการแสดงมุติตาจิตเวลาเราแพ้ผู้อื่นแต่เราแสดงมุติตาจิตเราจะชนะความ ไม่สบายใจเราจะชนะความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาได้นี่แหละคือการชนะที่แท้จริงไม่ได้ชนะผู้อื่นแต่ชนะที่ใจของเราเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าต่อให้เราชนะผู้อื่นเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งก็สู้ชนะเราเพียงครั้งเดียวไม่ได้เพราะเวลาเราชนะผู้อื่นเราก็จะไปสร้างเวรสร้างกรรมให้แก่ผู้อื่น อืเขาก็จะไม่พอใจไม่ชอบใจกับเราถ้าเราผู้อื่นชนะเราเราก็จะไม่พอใจเราก็จะโกรธจะเกลียดเขาแต่ถ้าเราชนะความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความที่อยากจะชนะผู้อื่นได้เราก็จะมีความสุขมีความสบายนี่คือเรื่องของมุติตาจิตแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็เรื่องของวิ อุเบกขานี่คือเรื่องของบุญสี่ประการอุเบกขาก็คือเวลาเราไปเจอคนที่เขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากมีปัญหานาน า, นาสารพัดแต่เราไม่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็อยากไปทุกข์กับเขาเราต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาคือยอมรับสภาพของกรรมนั่นเองว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน จะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถึงแม่บุคคลนั้นจะเป็นบิดามารดาของเราสามีภรรยาหรือบุตรทธิดาของเขาของเราก็ตามแต่ถ้าเขาไปทำอะไรที่ทำให้เขาต้องเกิดทุกข์เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถที่จะไปยับยังได้ไม่สามารถไปช่วยเหลือเขาได้เราก็ไม่ควรที่จะ ไปทุกขกับเขาเพราะการไปทุกขกับเขาก็ไม่ได้ทำให้เขาดีขึ้นแต่อย่างใดมีแต่จะทำให้เราทุกข์ไ ป, ปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลานั้นเราก็ต้องทำใจให้เป็นออเบขาถ้าเราทําทุกอย่างแล้วทำดีที่สุดแล้วช่วยเหลือเขาเต็มที่แล้วแต่เขาก็ยังไม่ดีเขาก็ยังไม่พ้นปัญหาของเขา อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องกรรมของเขาเช่นเวลาบิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเราก็เสียค่าใช้จ่ายดูแลรักษาไปแต่รักษาอย่างไรหมอก็บอกว่ารักษาไม่ไหวแล้วรักษาไม่ได้แล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงอย่าไปเศร้าโศกเสียใจอย่าไปคิดอะไรที่มันจะทาให้เรา ไม่สบายใจไม่เกิดประโยชน์อะไรเราควรจะยอมรับความจริงว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายไม่มีใครร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ถ้าเรามีโอเบคาแล้วเราก็จะอยู่กับปัญหาต่างๆกับเรื่องราวต่างๆได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถแก้มันได้ก็ปล่อยมันไปอย่างนั้น มันก็จะไม่เข้ามาสู่ใจของเราถ้าเรามีอุเบกขานี่คือบุญที่เราควรที่จะสร้างขึ้นมาในปีใหมน่นี้ถ้าเราอยากจะมีความสุขและความเจริญมากขึ้นส่วนการละา บ, บาปก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้ปัญหาความทุกข์ความวุ่นวายความเสื่อมเสียต่างๆน้อยลงไปหรือไม่มีเลย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 นี่คือสิ่งที่จะฉุดชีวิตของเราให้ตกต่ำจะฉุดให้เราเข้าไปสู่ปัญหาเข้าไปสู่ความทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะพบกับความทุกข์ไม่พบกับปัญหาต่างๆไม่ต้องการพบกับความเสื่อมเสียความเสียหายต่างๆเราก็ต้องละบาป ก, กันละบาปและละบายละอบายามุก บาป ก, ก็คือการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการโกหกหลอกลวงการเสพสุรายาเมาอบายามุกก็คือการเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรความเกียดครานการกระทำเหล่านี้ไม่ไมไมเป็นประโยชน์ไม่สร้างผลให้กับเราที่ดีมีแต่จะพางสร้างผลที่ไม่ดีให้กับเรา จะดูดทรัพยากรทรัพสมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่ให้หมดไปจะดูดความดีงามต่างๆที่เรามีอยู่ให้หมดไปเราจะกลายเป็นคนไม่ดีกลายเป็นคนชั่วไปแล้วก็จะต้องไปรับผลของการกระทาที่ไม่ดีของเราถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็อาจจะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางถูกลงโทษประหารชีวิต ถ้าตายไปแล้วก็ยังจะต้องไปใช้กรรมในอาบายต่อเองการทำบาปจึงไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราเลยถึงแม้ว่าเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้มาแต่มันจะได้แบบไม่คุ้มเสียเราอยากได้เงินมาเราไปโกงไปขโมยมาเราได้เงินมาแต่ใจเราจะไม่มีความสุขจากการได้เงินนี้มาใจของเราจะมีความวิตกกังวล กำงวลว่าจะต้องถูกจับได้แล้วตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายสู้ยอมอดอยากขาดแคลนดีกว่าอยู่ไปตามมีตามเกิดมีมากมีน้อยก็อยู่คนไปถ้าอยู่ไม่ได้อย่างมากก็ตายแล้วก็ไม่ว่าใครก็ตามจะมีมากมีน้อยก็ต้องตายเหมือนกันแต่คนที่มีมากแล้วทำบาปเวลาตายไปนี้จะขาดทุน คนมีน้อยไม่ทำบาปตายไปจะไม่ขาดทุนตายไปจะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายนี่คือบุญที่บาปที่เราควรจะละกันเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้ชีวิตของเราตกต่ำไม่ให้เราพบกับปัญหาพบกับความวุ่นวายต่างๆและข้อที่สามที่เราควรจะทำกันก็คือควรชำระใจของเรา คือให้เราลดละติเลตันหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้เบาบางลงไปวิธีที่เราจะลดละสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ต้องยึดเอาธรรมะที่พระเจ้าได้ทรงบงเพ็ญและทรงสอนให้เราบงเพ็ญกันก็คือความมักน้อยสัมโดะมักน้อยก็คือไม่มักมาก น, นั่นเองไม่อยากได้มากอยากได้เพียงเท่าที่จำเป็น เช่นชีวิตของเรานี้มีความจําเป็นกับอะไรก็มีความจําเป็นกับปัจจัยสี่เท่านั้นเองก็คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่มถ้าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วก็ถือว่าเราได้ประสบความสําเร็จของชีวิตแล้วเพราะเราจะไม่ได้ความสุขมากไปกว่านี้จากทางร่างกายไม่ว่าเราจะได้เงินทองมาเป็นร้อยล้านพันล้าน มีตำแหน่งเป็นนายกเป็นประัตริย์เป็นประธานาธิบดีมีคนยกย่องสารเสริญเราก็ยังจะไม่มีความสุขมากไปกว่าคนอื่นที่มีปัจจัยสี่น้อยกว่าเรามีเงินทองน้อยกว่าเราความสุขที่แท้จริงที่จะมีมากไปกว่าที่เราได้จากปัจจัยสี่ก็คือความสุขที่เกิดจากการทำบุญละบาปและ ลดละความโลภความโกรธความหลงตัาหาถ้าเราลดความโลภความโกรธความหลงได้ใจเราจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีความสุขเต็มเปี่ยมใหญ่หัวใจเลยถ้าเราสามารถลบล้างความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้อันนี้แหละวิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงที่เราอยากจะได้กัน ไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมีปัจจัยสี่แบบกินไปอีกร้อยชาติก็กินไม่หมดอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ใช่เป็นความสุขแต่กลับจะเป็นความทุกข์เพราะเราจะต้องมีความกังวลมีความวิตกกลัวว่าทรัพสมบัติที่เราหามาได้ถ้าเป็นถ้าตายจะต้องสูญเสียจากเราไปและเวลาที่เราตาย เราก็ต้องเสียทรัพย์สมบัติทั้งหมดเหล่านี้ไปอยู่ดีเราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยเขาไม่ได้เป็นความสุขให้กับใจไม่ได้เป็นที่พึ่งให้กับใจเลยมีแต่จะเป็นภาระมีแต่จะเป็นความทุกข์ให้กับใจดังนั้นเราอย่าไปหาปัจจัยสี่มากเกินความจําเป็นให้เราถือหลักนักน้อยสันโดษไว้ยินดีตามมีตามเกิดหรือหาเท่าที่เราจะ ต้องการทำนั้นถ้าเราเพื่อเราจะได้มีเวลามาลดละมาชำระความโลภความโกรธความหลงกันด้วยการไหว้พระสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วความโลภความโกรธความหลงต่างๆก็จะเบาบางลงไปความสุขความสบายใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับ จนมีความสุขเต็มที่อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้มีกันท่านบำเพ็ญแบบนี้ท่านบำเพ็ญด้วยความมากน้อยสันโดษปัจจัยสี่ท่านก็มีเพียงอัถบริขารเป็นเครื่องมือเท่านั้นมีบาทไว้บินทบาทหาอาหารที่อยู่อาสัยก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามถ้ำยารักษาโรค ก, ก็เดิมปัสสวะเรือสมุนไพรต่างๆดื่ม น, น้าปัสะวะ ผ้าก็ผ้าที่เก็บได้ตามกองขยะตามป่าชานี่แหละคือลักษณะของความมากน้อยสันโดษเพราะว่าร่างกายไม่ต้องาการอะไรมากไปกว่านี้มีมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้มีความสุขเพิ่มไปมากไปกว่านี้ความสุขจะมีมากขึ้นก็ต่อเมื่อเราลดความโลภความโกรธความหลงลดความอยากต่างๆให้น้อยลงไปให้หมดไปได้นี่คือเหตุ ที่จะทำให้พวกเราทุกคนได้มีความสุขนละความจเจริญในปีใหม่นี้ดังนั้นขอให้พวกเราจงตั้งจิตตั้งใจอยู่ที่เหตุนี้คือจะตั้งใจทำบุญหน้าบาปชำระใจเมื่อเราตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีความจริงใจไม่ใช่ตั้งใจแล้วก็ไม่ทำตั้งใจแล้วก็ลืมไปถึงเวลาก็ไม่ได้ทำอย่างนี้ผลก็จะไม่เกิดขึ้นมา ถ้าเรามีความตั้งใจมีความจริงใจแล้วมีความขยันที่จะทำมีความอดทนที่จะต่อสู้กับความยากลำบากในการทำบุญละบาปละชำระใจให้สะอาดเราก็จะได้ผลที่พวกเราต้องการกันคือชีวิตของเราจะมีความสุขมากขึ้นจะเจริญมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นพระอรหังพระพุทธเจ้าได้ต่อไป การแสดงก็เห็นว่าพอาสมควรแก่เวลาจึงของยุติไว้เพียงเท่านี้ในวาราดิกถีขึ้นปีใหม่นี้จึงของอัญเชิญพระุนของพระรัตนตัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปกป้องคุ้มครองรักษาให้ชีวิตท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วคกราดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยทั่วหน้าการเธอ